เมื่อแค้นเข้มค้นถึงขีดสุดเมื่อไหร่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบคําว่าอาภัยจึงไม่ได้เป็นคําตลกตกยุบถ้าคุณลองเสิร์ช Google ทุกปีด้วยคีย์เวิร์ดประมาณผัวเมียฆ่ากันตายจะพบผลลัพธ์มากขึ้นเรื่อยๆปีต่อปีแต่นั่นยังไม่น่าตกใจเท่ากับที่คนส่วนใหญ่ได้ยินข่าวพันนี้แล้วรู้สึกชินชา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 แ, แม้หลักฐานมีอยู่มากมายว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นก็กลับมีคนจํานวนมากเห็นเป็นเรื่องเล่นๆ่นนึกว่าการมีกิ๊กการนอกใจกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีไม่ได้แล้วยุคทองแห่งการลองของใหม่รสชาติใหม่ๆ ม, มาถึงแล้วข้อเท็จจริงคือไม่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไายวัฒนธรรมอย่างไรรูปยัวน้าลายเกลื่อนกลาทุกป้ายรถเมย์ขนาดไหนใจคนก็ผูกยึดแน่นกันได้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 คนคิดเ ล, เล่นตอนจะเลือกทางผ่านหรือของเล่นไม่ได้ว่าคนนี้น่าอ่อนๆใจอ่อนๆคงไม่มีพิษไม่มีภัยคงไม่เอาปืนมายิงตอนคุณจะชิงแน่ๆนเพราะเมื่อไรใจเขาหรือเธอผูกติดหลงยึดมั่นตอนนั้นคาดแค้นก็คิดร้ายแต่สินใจลงมือได้ไม่ต่างจากคนใจเยี่ยมนั่นเองสีนข้อสาจึงไม่ใช่เรื่องล้าสมัยตรงข้ามกลับจะเป็นของทันสมัยและล้าสมัย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 อยากมีความเจริญอยากไปให้ถึงความสว่างสูงสุดในชีวิตเหมือนเช่นที่หลวงปู่ขาวอนาลโยสิศิษย์เอกหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งพลิกเปลี่ยนจากการเกิดเป็นฆาตกรฆ่าชูกลายเป็นพระผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานก็นับเริ่มจากนาทีที่คิดวางมีดวางดาบเสียได้ซึ่งถ้าไม่ใช่นาทีแห่งมหาอภัยทานนั้นท่านก็คงเสียโอกาสพนทุกพนภัยสละสิทธิในการเป็นพระอรหรันต์ไปเป็นคนคุก เป็นคนทุกร้อนในความมืดมนขับแค้นเสียแทน